นิทานเรื่องที่สิปอ้าราชาท่าทางพระองค์ดูจะเหน็ดเหนื่อยที่ต้องเที่ยวเดินทางกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบค้นทางแล้วก็ยังอีกไกลเกรงว่าท่านจะเบื่อนายข้าจะเล่านิทานสนุกๆให้ท่านฟังอีกสักเรื่องก็แล้วกันก็ละครั้งหนึ่งนะเมืองอุชายินีมีชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าจันทรสวามิน ซึ่งเขาผู้นี้เป็นบุตรชายของเศรษฐีพราหม์ผู้มั่งมีในเมืองแห่งนี้แต่จันทราสวามินนั้นมีนิสัยเกเรติดการพนันแม้จะเล่นจนหมดเนื้อหมดตัวก็ยังไม่เลิกหยิบยืมเงินจากเจ้าของบอลมาแก้มืออีกครั้งแต่ก็แพ้จนหมดท่าไม่มีเงินไปคืนจึงถูกเจ้าของบอนโบยด้วยหวายจนสลบไปเจ้าของบอนคิดว่าเขาตายแล้วจึงให้ลูกน้องนาร่างไปทิ้งไว้ในป่า คขายังไม่ตายหรอเนี่ยโอ๊ยเจ็บแผลจังเลยเมื่อจันทร์รัศวามินฟื้นขึ้นมาก็เดินโซเซเข้าไปพักในเทวไลของพระศิวะเขาไม่สามารถกลับไปบ้านในสภาพนี้ได้เพราะเกรงว่าบิดาจะลงโทษเอาที่เทวไลของพระศิวะเขาได้พบกับฤาษีป้าสุบทและสอบถามเขาว่าเจ้าเป็นใครกันนะพอนม แล้วทำไมร่างกายถึงบอบช้ำเช่นนี้ฮะข้าชื่อจันทรัศวามินเป็นบุตรชายเสร็ถีพรามข้าน่ะโดนทำร้ายเพราะว่าติดเงินพ น, นันอืมไม่เป็นไรมันเจ้ามาอยู่กับข้าสถินีแล้วกันเมื่อฤษีปาสุบทให้จันทรัศวามินมาพักอยู่ด้วยก็ชักชวนให้เขาร่วมกินอาหาร จันทราสวามินไม่ยอมกินเพราะว่าอาหารเหล่านั้นได้มาโดยการเที่ยวขออาหารฤษีปาสวัสจึงยิง้มแล้วเดินเข้าไปในอาสมเพื่อทําสมาธิเข้าฌานเรียกรูปวิทยาให้ปรากฏและสั่งให้ดูแลจันทราสวามินเป็นอย่างดีทันใดนั้นจันทราสวามินก็เห็นเมืองทองคําปรากฏขึ้นตรงหน้าพร้อมด้วยสาวงามมากมายซึ่งเข้ามาปฏิบัติเขาเป็นอย่างดีพรั้นรุ่งเช้าจันทราสวามินได้ตื่นขึ้นมา และพบว่าตัวเองยังอยู่ในเทวะไลไม่ใช่นครทองคําเขารู้สึกเศร้าสร้อยเมื่อคิดถึงงางงามเหล่านั้นท่านฤาษีจึงเนรมิตให้จันทรสวามินอยู่ในภาพมายานั้นทุกวันคืนแต่แล้วจันทรสวามินก็รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นเป็นภาพมายาเขาจึงขอร้องให้ท่านฤาษีช่วยสอนวิชานี้ให้กับเขาเจ้าจะต้องลงไปฝึกในน้ําและก็ร่ายคาถาจนเกิดภาพนิมิตว่า ได้เกิดเป็นคนใหม่และใช้ชีวิตจนอายุครบ2ี่สิบปีถึงจะคืนสู่สติว่าตนน่ะเป็นใครจากนั้นภาพนิมิตก็จะถูกเผาไหม้ไปยึงถือว่าสำเร็จวิชานะข้ายืนยันทลุษีฤสีรู้ดีว่าสิทธิผู้นี้ยังมีจิตใจไม่กล้าแกร่งพอจึงได้ส่งกระแสจิตคอยควบคุมไว้จากนั้นจันทราสวามิน ก็ได้ดำดิ่งลงน้ำเพื่อฝึกวิชาเขาร้คาถาจนกระทั่งเกิดภาพนิมิตว่าได้เกิดเป็นบุตรของสามีและภรรยาพราหมู้หนึ่งจนกระทั่งเติบโตและแต่งงานจนกระทั่งมีบุตรมีความสุขท่ามกลางญาติมิตรและบริวารจนกระทั่งจิตของเขาเริ่มสับสนว่าไหนคือภาพมายาและไหนคือความจริงท่านฤาษีจึงได้ใช้พลังจิตควบคุมให้เขาตื่นจากผวง เมื่อรู้สึกตัวจันคาราสวามินก็นึกว่าตนเองใกล้จะสําเร็จวิชาแล้วจึงอยากให้ภาพในมิดฉากล่าวถูกเผาไหม้ไปโดยเร็วจึงได้กระโจนลงกองไฟไปบรรดาญาติพี่น้องลูกลูกบิดามารดาและภรรยาตาก็เสียใจจึงกระโจนลงกองไฟตามไปแต่ทว่าจันคาราสวามินกลับรู้สึกว่าเปลวไฟนี้เย็นร้าวกับน้ำแข็งเกิดอะไรขึ้นภานรสี ทำไมไฟนะถึงไม่ร้อนนะจะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่แน่ท่านฤาษีได้นั่งชารเพลงให้รูปวิทยาปรากฏขึ้นแต่ทว่าไม่ปรากฏสิ่งใดเลยองราชาท่านคิดว่าเหตุใดรูปวิทยาจึงหายไปจากทั้งสองเรารู้ว่าเจ้ากำลังหลอกล่อเราอยู่แต่เอาเถอะเขาจะตอบสิ่งที่เจ้าถามเรื่องนี้สแสดงให้เห็นว่า คนเราจะถึงความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะพิธีรีตรองที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวแต่จิตใจจะต้องแน่วแน่แล้วก็มั่นคงไม่หอกแวกดังนั้นนะพราหมณหนุ่มที่มีใจกว่าแหวงจึงไม่สามารถบรรลุความสําเร็จได้ส่วนฤษีนั้นน่ะที่สูญเสียอํานาจมายาไปเพราะตนเนี่ยไดสอนวิชาให้แก่ผู้ที่ไม่สมควรที่จะได้รับเมื่อเวตาลได้ฟังพระราชาตอบดังนั้น หัวหเราะเสียงกล้องฟ้าแล้วหายวับไปจากมาของพระเจ้าตริวิกรมเสนกลับไปยังต้นโนสนพระเจ้าตริวิกรมเสนจึงต้องกลับไปนำเอาตัวเวตาลอีกครั้งการที่จะให้สิ่งใดกับใครนั้นเราควรพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียให้ดีซะก่อนเพราะมันอาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราได้นิทานเวตาลยังไม่จบนะครับโปรดติดตามต่อในตอนหน้าสวัสดีครับเชเว